อย่างนั้นแหละพระสรงพอพถูกแล้วในคุติที่อยู่ของสัญญาสีก็ต้องมีไฟกองหนึ่งลุกโถอยู่ตลอดเวลาหรือว่าบูชาเป็นประจำถูกของทางสัญญาสีจะต้องบูชาไฟเป็นประจำโดยการเอาเลยน้ํามันไม้กัญและข蒿หอมต่างๆใส่เข้าไปในไฟนั้นไฟนั้นมีความสําคัญยังไง จึงต้องบำรุงบำเรอด้วยความบักใจสใส่เช่นนั้นโอ้สำคัญมาสีเดียวไฟเป็นพลังงานของจั ก, กรวัตเป็นตัวแทนของพระสวยะเทวบนแผ่นดินเป็นคุณลักษณะอันสำคัญของเทพเจ้าผู้ใดได้บำรุงบำเรอไฟก็เท่ากับได้บำรุงบำเรอเท พ, พเจ้าเอาละท่านผู้ทรงพระ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 เพราะอะไรวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณไม่บริสุทธิ์ถูกอคอขุมไว้อย่างหนานแน่นโดยกิเลสต่างๆแล้วทำยังไงต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานบบางทีขาดนี้ทั้งขาดอาจจะไม่สำเร็จแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องปฏิบัติถือต่อกันไป นับเป็นร้อยๆพันๆชาติถ้าปฏิบัติติดต่อกันไม่หยุดจะมีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณจะผ่านขั้นต่างๆสีขั้นขั้นแรกเรียกว่าสารโลกะยะในขั้นนี้วิญญาณของเราจะเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกับวิญญาณสารกลถ้าปฏิบัติต่อไปอีกกว่าจะบรรลุถึงขั้นที่สองเรียกว่า สามีปรรยะขั้นนี้เป็นยังไงลนะ่ะขั้นนี้วิญญาจะเข้าใกล้ทิศวิญญาสาวกนยิ่งขึ้นเราทำมี้ีกใจบริสุทธ์ะอาดขึ้นมองเห็นวิญญาสากลได้แคทเกณฑ์ขึ้นเมื่อเราปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณของเราก็จะก้าวไปสู่ขั้นที่สามเรียกว่าสารประยะ ขั้นนี้เป็นยังไงอ่ะรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับวิญญาณสากลปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณก็จะเข้าถึงระยะที่สีซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเรียกว่าสายุชยะคือบริสุทธิ์สะอาดเต็มทีเข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณสากล ไม่วิวันจะแยกออกมาเวียนวายตายเกิดเสวยทุกข์กอีกต่อไปในการที่จะบรรลุถึงขันทีสี่นี่ไม่ใช่ของไงไ่ายๆาย่างที่ข้เจ้าพูดมาแล้วเพราะวิาณของเราเราไม่บริสุทธิ์ต้องชำระโดยการปฏิบัติโยคะหลายชั้นหลายเชิม ถ้าจะเปรียบก็เหมือนทองคําเจืออยู่ในโลหะต่างๆห้าชนิดการที่จะแยกก็ทองคําบ่อยสุดออกได้นั้นจะต้องนําไปหลอมขัดลาโลหะที่ไม่พึงประสง์ออกเมืาเปรียบเสมือนการทำลมใสอันบ่อยสุดจากนมจะต้องมีการหูต้งหลายครั้งข้อปฏิบัติทางจิตใจในลาทีของท่านเนี่ย นั่นเป็เหตุผลน่าฟังมากทีเดียวท่านบอกว่าการที่จะนําวิญญาณผ่านระยะต่างๆเข้าสู่วิญญาณสากลนั้นจะต้ององศาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะแต่ท่านยังไม่ได้อธิบายให้พระเจ้าฟังเลยว่าการปฏิบัติโยคะนั้นจะต้องทํำยังไงบ้างให้าาข้าพเจ้าพักเลยสักครู่ก่อนเถอะนะท่านสาธิยบุตร ก็ต้องตายไม่มีใครหนีความตายไปได้พ้นนอกจากจะช้าหรร็วเท่านั้นนี่ใช่ไลุความตายจะคนธรรมดายิ่งสามีของเจ้าแก่กว่าเจ้าถึา ง, างเยอะถึงเยะสมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะตายจะต้องร้องไห้เศร้ า, ส, าสุขทำไมเสียดายกับหัวแก่มากเลยถ้าพเจ้าไม่ได้เสียดายหัวแกตอนแต่งงานข้าพเจ้ก็ไม่ได้รักหัวอยู่นะ แต่ถูกพ่อแม่บังคับหลอกถึงนิดหนึง่งเขาเป็นเศรษฐีให้ความสุขให้เจ้าย่างมากมายนะ่ะสุขใจใจมีความสุขเลยสักนิดเดียวแต่ทีงไงเจ้าเป็นเมียเขาแย่าโม้มต้อเถียงก็นอย่ารูเ้เตนตัวเตรีมใจที่จะทําตามประเพณีเถอะนั่นถ้าเป็นเจ้าเลยทั้งเจาต้องทำผัวตายเจ้าก็ต้องถูเผาตามผัวไปด้วย เจ้ามลงตายจ้าไม่หอาะ่านสารกิจบ้าว่าเจ้อจะเล่าแล้วะ ท่านผู้สรงพรโยคะมีหลายประเภทเรียกชื่อต่างๆกันแต่โยคะที่มีอำนาจในการกำจัดบาปอากุศลได้อย่างแท้ที่เรียกชื่อว่าอัคคโยคะหรือโยคะแปประกาศบาปใ ด, ด้ก็าตามที่บุคคลกระทำแม้จะเป็นบาปร้ายแรง ไม่ว่าจะฆ่าพรามหรือโคการขโมยเงินทองการดื่มน้ำเหล้าการล่วงละเมิดในปัญญาของขูการฆ่าบุตรในครรการหลอกลวงพรามการทำลายคำมันสัญญาที่ให้ไว้กับพรามสามารถลบทางออกได้โดยการปฏิบัติอัคคโยข ผู้ที่จะปฏิบัติอัธยาศักจะต้องทํำยังไงลนะ่ะก่อนอื่นจะต้องอดอาหารติดต่อการเป็นเวลาสามวันแล้วไปยังเทวาไหิหรือป่าชา้าหรือใต้ต้นพินวาเมื่อเลือกที่อัดเหมาะสมได้แล้วจะต้องล้างบาปด้วยน้ําตามพิธีแล้วเอาสีเขียวจุดบนหน้าผา ต่อจากนั้นเอาศีสันลงบนพื้นดินชี้เท้าทั้งสองขึ้นไปบนอากาศขณะที่อยู่ในทา่ารีต้องกระทำปราณยามะปราณยามะคืออะไรล่ะเอามือปิดรูจมูกข้างลึงไว้หายใจเข้าทางรูจมูกที่เปิดอยูเสร็จแล้วเอามือปิดจมูกด้านนั้น แล้วหายใจออกแรงขางรู้จมูกอีกข้างหนึง่งทำอย่างยี่สนับกันไไปหกครั้งขณะที่หายใจออกต้องสวดคาถาว่าประสาทเอ้ยท่านภูเป็นเทพธิดารับาปอาศัยอยู่ที่ท่านจุดออกมานะบัติ ตัวบาปดังกล่าวอาศัยอยู่ในปราสาทซึ่งลูภายในกระโหลกศีรษะน่าคลายมันจะถูกขับออกโดยวิธีปาณิยะมะเมื่อมันออกมาแล้วจะต้องเอาล้างในน้ำอุ่นแล้วให้การรูชาจากนั้นน้ำปราสาทที่ษะอาดบริสุทธิ์แล้วกลับคืนสู่ที่เดิม โดยการหายใจเข้ายาวๆทางรูจมูกด้านขวาพร้อมด้วยสวดทา้าทาว่าข้าแต่เทพีดาผู้ทรงศักดิ์บัดนี้ท่านบ่อยสุดจากมาแล้วท่านเป็นมานดรดาของโลกข้าพระเจ้าได้ทำการบูชาแก่ท่านแล้วขอเชิญท่านกลับคืนสู่ที่อยู่เดิมของท่านเถิด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 ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟังไม่ยังเกลียดเลยท่านสยายกายบุตรก็พรออยากฟังลัที่ของท่านนี่แหละข้าพเจ้าจึงอุตสาห์ติดตามมาสนทนากับท่านถึงที่นี่ไงท่านเล่าไปเถอก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอออกตัวซะก่อนว่าข้าพเจ้าเองก็ยังมีความรู้ในธรรมวินัยของพระบรมศาสดาน้อยก็ไม่สามารถให้ท่านฟังอย่างละเอียดได้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 ความดับทุกพร้อมด้วยเหตุของความทุกขโดยไม่มีส่วนเหลือเท่านั้นเองเลยรว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกเท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกความดับทุกถูกแล้วท่านมีวิธีการดับทุกอย่างไรบ้างก่อนจะรู้วิธีดับทุกท่านจะต้องรู้ต้นเหตุให้เกิดทุกซะก่อนเพราะการดับทุกนั้นไม่ใช่ดับที่ตัวทุก แต่ดับที่ต้นเหตุของทุก์เมื่อดับเหตุได้แล้วตัวทุกก็จะดับไปเองเหตุของความทุก์มีอยู่สองอย่างอะไรบ้างทักษะกายบุตรตัวที่เป็นต้นเหตุจริงๆเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ความโง่เพราะความไม่รู้ไม่รู้ความจริงจึงเกิดมิจฉาทิฐิความเห็นผิดไปจากความจริงเพราะเห็นผิด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 เพราะเห็นผิดจริงหลงเพราะหลงจริงอยากเพราะอยากจริงดินน้นรนเพราะดิน้นรนจริงยิดเพราะยึดจึิงกเกิดทุกข์เป็นวิธีที่มีเหตุผลมากทีเดียวท่านสมณะแต่รู้สึกว่าลึกซึ้งยากจะเข้าใจได้โดยง่ายข้าพเจ้าใครขอถามต่อไปว่า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 ทั้งทางดีทางชั่วเมื่อได้มีได้เป็นแล้วก็ยึดไว้เมื่อยึดไว้ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ต่อไปท่านแสนเกียรติบุญข้าพเจ้าจะเปลียบให้ท่านฟังเรื่องหนึ่งมีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งในป่านั้นมีนางยักษิสีอาศัยอยู่เมื่อนางยักษิสีเห็นบุรุษนั้นก็เกิดความกระหายอยากจะจับกินเป็นอาหาร แต่ครั้นจะจับกินเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่ดีจึงแปลงเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยโสภายืนอยู่ริมทางด้วยอาการยั่วยวนท่านจะไปไหนข้าพเจ้าจะไปธุระต้องเดินทางผ่านทางนี้ นางเป็นใครอ่ะทำไมมันยืนอยู่ที่นี่คนเดียวบ้านหลังข้าพเจ้าอยู่แถวนี้มืดหลังต้นไม้นี้ไปก็ถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ามันเดินเล่นแถวนี้บ่อยหนูร่างทางข้ามจะเหน็ดมีมากข้าท่านไม่รังเกียจเอาไปพักบ้านหลังข้าพเจ้าก่อนผัวหายหนีแล้วก็เดินทางต่อไปจะไม่เป็นการน่าเกลียดตัวหรอกเหรอที่ข้าพเจ้าจะไปบ้านนางข้าพเจ้าอยู่คนเดียวชาวบ้านอาจจะว่าเอาได้นะบ้านข้าพเจ้าอยู่โดดเดียว ไปชาบ้านที่ไหนอีกนางอยู่คนเดียวท่ามกลาง ป, าป่าเปลวเช่นนี้ไม่กลัวหรอกเหรอเขาไม่ใจฉันซะล้ขอเชิญท่านเมื่อนา ม, มาม่ังเกียรติข้าพเจ้าก็ยินดีรับเชิญฝ่ายบรุษนั้นไม่รู้ว่าสตรีนั้นคือนางยักษ์เนีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหญิงสาวธรรมดา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 ก่อนตายชายคนนั้นได้เอาพานออกมาว่าเพราะเราไม่รู้ความจริงจึงได้หลงรักนางยักษินีอยากได้นางเป็นภรรยาตามนาง ม, มาจนอยู่ด้วยกันแล้วก็หลงยึดเป็นภรรยาจึงต้องประสบกับความพินาศท่านผู้บำเพ็ญโยค ะ, ะบุรุษหลงรักนางยักษินีประสบเคราะห์กรรมอันน่าสมเพชเช่นใดมนุษย์ในโลกนี้ก็ฉันนั่งเหมือนกันเพราะอาวิชชา มนุษย์จึงเข้าใจผิดว่าชีวิตนี้แสนจะหวานจึงยึดความอภิรมในกาลมาขุนห้าสแสวงหาในหลงยึดในการมาขุนห้าแต่วราระสุดท้ายก็ต้องประสบกับการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุดในวัฏฏะสงสารนี่คือตัวทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์หวังว่าท่านคงจะพอเข้าใจอุปะมาคงทันถ้าไม่ข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาทีเดียว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 หมายถึงอะไรท่านผู้ทรงศีลสภาวธรรมคือสิ่งที่ตั้งและเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาสิ่งทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านและตัวข้าพเจ้าเป็นเพียงสภาวธรรมที่ดําเนินไปตามกฎเกณฑ์ของมันเองคือเกิดขึ้นเสื่อมลง แล้วดับไปตามหน้าที่ของมันไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยนี่คือความจริงแท้ที่เรียกว่าประมัติสัจจะซึ่งอยู่เบื้องหลังเราเขาที่เราหลงยึดถืออยู่นี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากท่านสากยมุตรข้าพเจ้าโคสาลาภตามตรงว่าทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ายังไม่สามารถถิ่นตามท่านได้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 เป็นพระโสดาบันแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าอยากสนทนากับท่านอีกนานๆแต่นก็ดึกมากแล้วบางทีท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางต้องการพักผ่อนข้าพเจ้าจึงใคยขอถามปัญหาสุดท้ายคือเมื่อราบแล้วว่าเหตุของทกคือความไม่รู้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 อะไรบ้างทสานสลณะหลักสาคัญสามประการมีอธิศินสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาประการที่หนึ่งอธิศินสิกขาหมายถึงอะไรหมายถึงการศึกษาปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยที่พระบรมศาสดาส่งบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายสาคัญก็คือ เพื่อเว้นจากความชั่วทั้งกายและทางวาจานั่นเองประการที่สองที่เรียกว่าอ า, า, าทาิาตตสิกขานั่นแหละท่านสมณะอาทิตตสิกขาและแก่การฝึกฝนอบรมจิตจนจิตใจสะอาดปราศจากนิวรณเคลื่อนซศาวาหมองตั้งมั่นเป็นสมาธิควรแก่การงาน เปยียเหมือนม้าพยศที่เขาฝึกดีแล้วต่อไปแต่การที่สามท่านผู้ทรงศีลประการที่สามเรียกว่าอาธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาหรือแสงสว่างภายในให้เกิดขึ้นในใจและน้อมนำเอาแสงสว่างนั้นไปพิจารณาสภาพของสิ่งต่างๆจนรู้ปรมตทสัจจะของสิ่งนั้นเมื่อนั้นแหละอวิชชา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 มีแต่ความสงบสุขทุกเมือ่อท่านสมณะเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านมารู้สึกว่าการปฏิบัติแบบท่านไม่มีโยคะอันยิ่งยวดเป็นการทรมานร่างกายอย่างวัติเราเลยไม่มีหรอกท่านผู้ทรงพรสการบาเพ็ญตบะหรือโยคะทรมานร่างกายนั้นพระบรมศาสดาของเรา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 เกี่ยวกับลับที่ของท่านมามาพอรู้ทีเดียวรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างจับใจข้าพเจ้ามากแม้จะยังไม่เข้าใจแก้มแง่ก็กาตามข้าพเจ้าก็จะนําไปตรายรองดูให้หละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อใดที่ยังสงสัยพรุ่งนี้เช้ากอที่ทานจะจากไปข้าพเจ้าใครจะขอถามเพิ่มเติมอีกสําหรับคืนนี้ ขอลากลับก่อนเชิญ ท, ท่านทัพหอตามสบายเลหลังจากสัญญาสียมัทคณีจากไปแล้ว เตรียตร่ยมตัวจะพักผ่อนหลับนอนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางเป็นกำลังปูผ้าอาบน้ำฝน ล, ลงที่พื้นเอาหอผ้าทำเป็นหมอนครี่สังกขาติออกคลุมกายนั่งเหยียดขาทั้งสองข้าวออกไปข้างหน้าใช้มือทั้งสองนวดเป็นขาทั้งสองข้างแก้เมื่อยครแสงกระทียบเนยใสส่องสว่างวอบแหม ฟ้าผนังนถุกระด้วยดินเหนียวผสมฝางฉาบด้วยมูลโคสะท้อนแสงเป็นเงาดำบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงนานๆจะมีเสียงสายลมยามดึกพัดใบมะม่วงสู้ซ่าอยู่ข้างบนในยามเช่นนี้อดควนคิดถึงความหลังซะไม่ได้แต่ไม่ได้ทำให้สบายใจขึ้นเลยกลับทำให้จิตใจสร้าหมองเอาไปอีก พยายามนะครับคิดไม่คิดถึงอารมณ์อื่นปล่อยหล่นออมู